ตั้งสาตุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งการไขปัญหาก็คือมีผู้ถามและก็ตอบอย่างหนึ่งเพราะว่าการถามนั้นมีหลายลักษณะทะเลาะกับเทศดตุกธรมยตาผุดหาถามเองตอบเองก็ได้คนอื่นถามเพื่อแก้ข้อกังใจสงสัยก็ได้นั้นตอนนี้ก็จะเฉลยปัญหาซึ่งมีผู้สงสัยกังใจ ท่านพระโคกปรารถณนมท่านมีธุระวงแรกก็นึกว่าจะไขคู่กันไม่ได้ไขคู่กันมานานแล้วเปินวันนี้ท่านมีธุระอาตมาก็ว่างอาตมาว่างท่านไม่ว่างมันก็คงกันสักทีหนึ่งจะเลยจะไขวงเดียววันนี้ความมุ่งหมายของการไขปัญหาก็คือต้องการอธิบายธรรมะมีเมื่อมีผู้สร้างใจสงสัยอย่างหนึ่งหรือมีปัญหาธรรมะซึ่งควรจะได้อธิบายขยายความให้เข้าใจ ก็ะจะอธิบายขยายความให้ข้อใจเป็นข้อเป็นตอนไปในนี้มีปัญหาที่มีผู้ถามมาเป็นญาติโยมต่างจังหวัดในเขตภาคของอัตมาภาคเก้ม า, ามีญาติโยมถามอำเภอแห่งหนึ่งไปในงานมอบใบการตั้งเจ้าคณะอำเภอและกลับไปในงานถูกพัิธสีมาหลายแห่งมีญาติโยมกับพระสงสัย คือเหตุที่สงสัยมีพระสององค์อ้างตัวว่าอยู่กรุงเทพบางทีก็ว่าอยู่สำนักเจ้คุณสวนโมกต์างแต่ว่าฟังฟังแล้วดู้ว่จะไม่ใช่คือพระสองโลกนี้ไปพูดอวดอ้างตนว่าเป็นภาษีอ่านาีกองหนึ่งอ้างว่าเป็นลูกศิษย์โยมพระองค์นี้เป็นภาษีอ่านอาตมานีนเป็นลูกศิษย์ลูกแก้งเห็นธรรมะของพราะอาศัยพภาษีอานองค์นี้ ไปวันอ้างกันอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ญาติโยงสงสัยพอเวลาฟังคํำพูดแล้วโคดรแปลกๆโคตวัดทาบุญก็ไม่ได้บุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างคูดีวิหารไม่ได้บุญทางนั้นเอ๊ะโยงไปชักแปลกใจทําไมพระษีอ่านอะไรมาเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่กล้าขัดไม่กล้าอะไรหินเจ็ผ่านเหลืองที่นั้นญาติโยงก็เลยตั้งปัญหาถามมัสมา พอสมัยนี้พระสีอ่านมีไหมเพราะมีพระสองลูกไปอวดอ้างวัดตนเป็นพระสีอ่านมีองค์หนึ่งอ้างวัดเป็นลูกศิษย์ชลักษณ์ก็จะตอบเสเลยพระสีอานหรษีอริยเมตไกรนั้นไม่มีหรอกในสมัยนี้มีไม่ได้เพราะพระสีอานเนี่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดซ้ํากันในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าสององค์มีองค์เดียวเท่านั้น ขณะนี้ศาสนาในเป็นศาสนาของพระสมณโคดมในกัปนี้ท่านเรียกว่าพัทธรกัปไปว่ากัปที่เจริญก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสถึงห้าพระองค์คูครูสันโธมีองค์ที่หนึ่งศาสนาของพระองค์ก็ไว้นานเป็นหมื่นหมื่นปีจะสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วสองพระโกนาคมมีศาสนาของพระองค์ก็ไว้นานพระองค์ก็อนนิพพานไปนานแล้ว กัตสปูศาสนาของพระกัตส ป, ปะพุทธเจ้าพระองค์ก็ไว้ศาสนานานแล้วก่อนยิบผ่านไปแล้วศาสนาท่านหมดไปแล้วจามณะโคตมโมพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่สี่ในกลับนี้มีพระพุทธเจ้ามาตัดห้าพระองค์แต่ตามไปแล้วสี่พระองค์เหลือองค์เดียวคือพระศรีอริยเมตตาซึ่งจะมาตัดขงหน้าในเมื่อหมดศาสนานี้แล้วดังนั้น พระศรีอาร์จะไม่มีในยุคนี้โยมทั้งหลายโปรดทราบใครจะมาพูดมาโกหกอะไรอย่าไปเชื่อเพราะว่าหลักฐานในพระปฏิบ ด, ดกท่านว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วพระศรีอาร์ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดซ้ํากันไม่มีหรอกรูปร่างของพระพุทธเจ้าก็เหมือนคนธรรมดาอย่างนี้แปลกต้องเป็นกษัตริย์แต่กูลของท่านเ ก, กิดไม่ใช่เกิดธรรมดาต้องเป็นลูกเจ้าฟ้าจะเป็นดินโนนอันนี้ลูกคนไทยไร้ธนาจะพังไทย มาเป็นภาษีอา่านก็แย่แล้วเพฉะนั้นถ้ามีปัญญาก็ถามว่าบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนเราถามดูสิอืมแต่อยากจะรู้เป็นภาษีอ่านปลอมหรือแท้เป็นภาษีอ่านต้องเป็นโลกพระเจ้าแผ่นดินอืมตัวท่านต้องเป็นกษัตริย์ภาษีอริยเมตไตรนนะ่ะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะสัะหาราชสมบัติออกบวชนั่นแหละถึงจะเป็นภาษีอริยเมตไตรไม่ถือคนไปเจอะข้งอง่อยใชไร่เทานา ธรรมดานี้จะมาบวชเข้ามาจะเป็นพระศิลานกแย่และไรโยมเอ้ยเพราะฉะนั้นโยมก็อย่าเชื่อง่ายนะักให้ดูเถว่าประวัติของพระศีอานก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตัดจะต้องบําเพ็ญบารมีมามา่าสร้างบารมีมาทั้งสามสิบทัศแล้วเวลาชาติสุดท้ายจะต้องเกิดเป็นลูกษัตริย์เป็นพระเจ้าเป็นดินด้วยสวรรค์ส ส, สมบัติแทนพ่ อ, พอและสละราชสมบัติออกบวช คนกรรมฐานเลยสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือภาษีอริยเมตตาหรือภาษีอานพระที่มาอวดอ้างแท้ๆนี่มันไม่ใช่เป็นอันขาดแน่พระศีอานจะเกิดก็ต่อเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราหมดไปแล้วโน่นศาสนาจะหมดก็ 4, 000, 4 9ี9พเปีกับ11เดือนเศษนจโ่นแหละ ระอัฐิธาตของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งก็จะมารวมกันด้วยอำนาจอภิญญาที่พระพุทธเจ้าได้อธิฐานไว้แล้วจะมาเป็นองค์พระพุทธเจ้าเทศอยู่ภายใต้ตนสีมหาโพธิเจ็ดวันเจ็ดคืนโปรดเทวดาไม่ใช่เทวดาก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังแล้วโปรดเทวดาได้ตั้ง8ป0 0 0ืนสี่พันและจะเข้าสู่มาผลนิพพานพระอฐิธาตถึงเป็นองค์พระพุทธเจ้าจึงจะอันตรธานสูงไป าศาสนาก็เปน็นหมดสิ้นไปในสมัยนั้นเมื่อาศาสนาหมดแล้วน้นจึงจะบวชว่างอยู่อมเมื่อประชาชนมีศีลมีธรรมมีขึ้นแล้วอายุตั้งกือบพนมตีนั้งภาษีอเยเมตไตจึงจะมาเกิดอสาธาิจึงจะมาดเทศโปรดสัมภสัต์ทั้งหลายภาีอเยเมตไตอย่างนี้ไม่ใช่แล้วจะไปเชื่อง่ายนักต้องหมดาศาสนาพราะคุณได้จ่าแล้ ว, าาลวมีศาสนามิ่งหมด เพิในสองพันห้ายหปีเท่านั้นเพึ่งๆ <aut> ิอ <nes inappropriate S 1> ่าศตวรรษเท่านั้นอ่าเพิ nah, ่งคิงยี่สิบศตวรรษเสร็จมาหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะถึงศาสนาของพระเจ้าหรือของเราสุดสิ้นสุดไปโอ้พวกเรานี่ตายแล้วเกิดดีก็อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบหรอกภาสีอ่านจริงจะลงมาตราดังนั้นจะโปรดจะเข้าใจง่ายนักนะเอาละอันนี้ก็ขอตอบเพียงเท่านี้เลาวแตยังมีปัญหาถามมาอีกมีพระกับโยม ถามโตะองค์หนึ่งเป็นมหาโยมก็กินหมากถามว่าไม่จ้องภาวนาคือไม่ต้องบริกรรมว่าอะไรทั้งหมดรู้อยู่เฉยๆคือมีสติรู้อยู่เช่นกินหมากก็รู้ฉันอาหารก็รู้จะเป็นกรรมฐานหรือไม่นี่เป็นปัญหาที่ถามพระที่ถามองค์หนึ่งก็เป็นมหาโยมที่ถามนี่ก็ดูมันไม่เป็นนั่นหรอกแต่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติ อาขอตอบให้ฟังรู้อยู่เฉยเฉยมีสติรู้อยู่กินหมากก็รู้จะนอาหารก็รู้จะเป็นกรรมฐานหรือไม่ไม่เป็นหรอกทําไมจึงไม่เป็นอายกตัวอย่างขณะที่โยมนั่งฟังอยู่เดนี้โยมลองมองไป น, นอกๆสิโยมนั่งอยู่ในห้องหรือนั่งอยู่ในศาลาวัดจิตที่ไหนก็ตามโยมก็ต้องเห็นฝาฝาศาลาฝ า, าบ้านของโยมแลม้วจะเป็นกรรมฐานไหม แต่เพียงแค่นี้เป็นโอ้พวกเรามันน่าจะสําเร็จเป็นพระรหารกันมาหมดและทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเดินขึ้นมาเราก็เห็นกันทางนั้นอข้าวปลาอาหารจะฉันจะทานเราก็รู้ไม่มีใครที่ไม่รู้ก้างจะติดคอเราก็รู้อันนี้เป็นอาหารดีไม่ดีเราก็ทราบแกงเป็ดแกงไก่แกงหมูแกงรวงแกวัวแ ก, ว ง, แกวงควายเราก็ทราบเนื้อจนกรทั่งเขาเอาลูกชิ้นหมาก็ยังรู้กันรู้สิเนื้อทำไมรู้อยู่ด้วยสติใช่ไหมอย่างเนี้ยใช่ เนี่ยเป็นกรรมฐานได้ไหมวัวควายในคนไปมันก็เห็นว่าทีพระไปมันวิ่งไล่ขลิดอะไรก็มีเพราะมันเห็นใช่ไหมนั่นแล้วเขาจะฆ่าคนเขาจเอาปืนจ้องนี่เขาก็มีสติใช่ไหมถ้าไม่มีสติมันก็ยิงไม่ถูกสิคนเมาเหล้าคนขาดสติเดินซัดเซไปในจอไปนั้นนั่นคนขาดสติอืมลรงนึงซุพินมีผู้หญิงดินเหล้าเมาผู้ชายไปคม ข, ขืนอนาจารย์ยังไม่รู้ตัวอะไรนะเนี่ยถ้าคนขาดสติ คนมีสติรู้อยู่แต่ที่นี่ปัญหามีว่าสติเนี่ยมีสองอย่างมิจฉาสติกับสมมาสติคนตกปลาตกบ็ดเขาก็รู้ว่าปลาไกินเด็ดม่กินเดงปลาพับพอมันมีทอยปลากระโดทอยทักทักทจมน้ามันก็ตกพับก็ติดตาขึาข้นมาเลยเขารู้ดีที่สุดได้ปลาก็รู้ไม่ได้เขรู้ปลากินเด็ดไม่กินเขาก็ซาในอย่างนี้สติอย่างนี้ถึเลยว่ามิจฉาสติตั้งสติไว้พิส สร้งสติไ ว, ว้สั่งบาปสั่งกรรมเขาจะรักเขาจะโกรธเขาจะขี้เขาก็มีสติคอยจ้องเสมอด้วยแม้เล่นการพ น, นันเขาเล่นกันอยู่เขาก็มีสติตํารวจไปจับล็อกประตูมันจะเล่นงานตํารวจอย่างนี้ก็มีเขามีสติทางนั้นไม่ใช่ไ ม, ม่มีแตสติอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสติมันเป็นมิจฉาสติเออต้องเข้าใจให้ถูกมิจฉาสติก็ไปถือเป็นสัมมาสติหมดมันไม่ได้หรอกธรรมะนี่ต้องละเอียดอย่าโดมเลยเขี้ยวหมาก ก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ทานข้าวก็รู้แต่รู้อย่างนี้รู้โดยอํานาจอะไรทัานเรียกว่ารู้โดยยาณคติธรรมยานัคติธรรมธรร ม, รรมที่รู้น่ะมันมีถึงห้าอย่างมีลักษณะคล้าย ก, กันกับปัญญาหนึ่งโมหะเนี่ยโมหะนี่รู้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่รู้แต่เขารู้บัญญัติไม่ได้รู้ประมัดคือไม่รู้ทางปรญญิผ่านนั่นแหละท่านเรียกว่าโมหะทั้งสิ้น รู้ทํำอาวุธนิ้วเขียดทําจรวดทําาพนโลดทําครื่อขยายเสียงสร้างตึกสั่งลามต่างๆโมหะรู้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่รู้แต่โมหะที่แว่าหลงก็หมายความว่าหลงทางาต่นิพพานเท่านั้นนอกนั้นรู้ดีสิจุดโลภะนี่ก็ไม่ใช่ไม่รู้อยากได้อันนั้นเป็นเงินอันนี้เป็นเสื้อเป็นผ้ารู้ดีทั้งนั้นนี่ก็โลภะทิฏฐินี่ก็เหมือนการทิฏฐินี่แปลว่าเห็นหรือเห็นด้วยรู้ด้วยเนี่เป็นชื่อของปัญญาก็ามี เป็นชื่อของปัญญาที่เห็นผิดก็มีเป็นทิฏฐิศีลวิสุทธิอ่าจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิในทีน่นีทิฏฐิตัวนี้เป็นชื่อของปัญญาแล้วเห็นแจ้งเห็นชัดเป็นปัญญาก็มีทิฏฐิที่รู้ไม่ใช่ไม่รู้คนที่เห็นผิดก็รู้ดีทั้งนั้นอเห็นาบาปไม่มีบุญไม่มีนี่คืทิฏฐิเท่านั้นแหละเขารู้อยู่ยุตโตเขาคงเสิดนี่ก็รู้วิการคงกลองก็รู้นี่แหละที่ว่าเชื่อมาเขรู้อยู่มันรู้ด้วยอำนาจโมหะโลภทิฏฐิตุนิจัน ฉันข้าวรู้อยู่นี่ก็รู้รืยอำนาจโลภะโทสมหะมันรู้อยู่โรยอำนาจโมหะโลภะทิฏฐิวิตวิจารเนวบ ญ, ญานคติฐามรู้ทางนั้นแต่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่ามิถาสติไม่ใช่สัมมาสติไม่เป็นกรรมฐานเพราะขาดภาวนาถ้าภาวนาจริงจะเป็นกรรมฐานอันนี้สำคัญอยู่ น, นั่งอยู่อยู่ที่เฉยเป็นกรรมฐานก็โอ้คนมาเกิเดําอเด็กกันหมดบ้านบดเมืองแล้ว ไปซื้อผ้าซื้อเสือ้อผ้าหุ่นลัดไปซื้อที่ไหนสนามหลวงตลาดนัดที่ไหนมีเลือกเอาส้มโอเลือกเอาของปลาสลิดเอ่ยอะไรเอ่ยมีสติทางนั้นตัวไหนมีไข่ไม่มีไข่รู้ทั้งนั้ น, น, นรรเร้เรอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสติเป็นมิทธาสติเพราะขาดการพิจรารณาเนื้อขาดการบริกรรมอรรมฐ า, านต้องทิ้งบริกรรมไม่ได้บริกรรมมัทนาณ อต้องมีบริกรรมบริกรรมก็คือภาวนาแม้พุทโธก็ต้องภาวนาเจซาโลมาก็ต้องภาวนาต้องบริกรรมไม่บริกรรมไม่ได้ในบาลีว่าไว้ชัดเจนบริกรรมเจซาโลมานะคาทันตาเตโจเตโชทันตานะคาโลมาเจซาพุทโธพุทโธพุทโธต้องบริกรรมท่านนั้นอาปูอาปเตโชเตโชวาโยวาโยบริกรรมทุกอย่างนี้ตามธรรมดานี่ลองไปนึกถึงวิถีจิตมรควิถีชานวิถี วิถีของฌานก็ต้องทิ้งไม่ได้เลยบริกรรมโน้นจะถึงฌาเนเพียงที่บริกรรมมรรควิถีวิถีของมรรคก็เหมือนกันชวนาจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมยังภาวนาอยู่ในชวนาจิตเจ็ดชวนะนั่นแหละซึ่งกลับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถ้าขึ้นชวนกิจดวงนู่นวาบ ถ, ถึงมดสุดท้ายหรือทั้งเจ็ดชวนาเริ่มต้นชวนะดวงที่หนึ่งต้องปฝริกรรมมาภาวนายังมีอยู่ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ภาวนาไม่เป็นกรรมฐาน ถ้าเป็นเงาขัดสำเร็จหมดบ้านหมดเมืองโยมที่กินหมากก็ถามวาดิ ι, ฉันกินหมากก็รู้อยู่มีสติอยู่ใช่แต่โยมมีสติรู้อยู่โยมก็เป็นพระอรหันต์นานาชิตทำมันเป็นกรรมฐานเดี๋ยวนี้เป็นพระอรหันต์หรือเปล่ายังไม่เป็นที่เลส ก, ก็ยังมีเต็มกระบวงอยู่เราเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้นะโอเเข้าใจอย่างนี้ด้วยนี่เป็นปัญหาธรรมะมันละเอียดละออถ้าเรานึกจักยาวกว่ามีสติรู้อยู่ใช่รู้ทั้งนั้นรถผ่านไปกี่กระบวนแล้วก็ทรา รถแท็กซีกี่คันไปเราก็เห็นแต่เห็นแค่นี้มันก็รู้อยู่ทุกคนแหละมีสติไม่มีแต่สติอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติในมรรคแต่เขาต้องพิจารณาต้องบริกรรมแม้เราพิจารโอ๊ยรถคันนี้สวยไงรถคันนี้ไม่งามอันนี้ก็ด้วยอำนาจโมหะโลภทิฏฐิวิตุวิจารณไม่ใช่ด้วยอำนาจปัญญาแต่ของการภาวนา ในข้อที่3มีผู้สงสัยว่าพองหนอนยึกหนอไม่มีในพัฒไตรปิดกจริ ง, งหรือไ ม, ม, ไไม่ขอฟังเหตุผลและอธิบายด้วยโอ้พองหนอยุกหน่อม่มีในพัฒไตรปิดกมีที่ไหนอ่ะเออถูกแล้วแต่พูดถูกนะโยมนะมีผู้สงสัยว่าพองหนอยุกหน่อม่มีในพัฒไตรปิดกจริงหรือไม่จริงขอฟังเหตุผลและอธิบายด้วยก็เพราะว่าพัฒไตรปิดกไม่ไ ด, ดไ้เขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยให้พองหนอนยุกหนอ่อเป็นภาษาไทยพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศ ภาษาไทยอ่ะพระพุทธเจ้าเทศน์เป็นภาษาบาลีนะเพระาะฉะนั้นพองหนอนหนอไม่มีในปฏิปฎกิงร้อยเปอร์เซ็นต์ทไมจึงไม่มีก็เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไทยพระพุเจ้าเป็นแขกเป็นคนแขกเป็นคนอยู่เมืองอินเดียโนนพูดภาษามาครดูุภาษาบาลีแต่ทีนี้ตัณหาต่อไปว่าเออเอามาจากไหนล่ะถามต่อไปอย่างนั้นซิพองหนอยึดหนอไม่มีในปะฏิปฎกถูกต้องจริงหรือไม่จริง ทำไมจึงไม่มีพ ร, พระพุทธเจ้ามริเทศภาษาไทยทีนี้แปลมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนถามอย่างนั้นสิีเนี่ยพองหนอยึกหนอเนี่ยเป็นภาษาไทยแปลมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหนเออนั่นแหละเพราะถ้าคําว่าพองหนอยหนอเไม่มีในพระไตรปิฎกแน่นอนร้อยเปอร์ซนไม่มีเลยอาตมาดูมามากแล้วไม่มีสักตัวเดียวเพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยพระไตรปิฎก อ, อ่อถ้าไปดูพระไตรปิฎกแปลสิ มีได้ครับแปลเป็นภาษาไทยแล้วสี่สบห้าเล่มมันมีนะทีนี้คําว่าพองหนอยุกหนอเนี่ยเอามาจากพาษไตยพิดกแปลมาจากคําบาลีว่าไงอัศสาสะอัศสาสะแปลว่าหายใจเข้าปัษสาสะแปลว่าหายใจออกนั่นแหละพอหายใจเข้าหายใจออกมันก็ท้องนูนเมื่อท้องนูนแล้วจะไม่ว่างไรภาษาไทยจะว่าพองหรือว่างไรอยมนูนนี่ยเขาเรียก ว, ว่าพองขึ้นใช่ไหม หรือมันโปงขึ้นหรือจะว่าสูงขึ้นท้องพองนี่จะว่างไรภาษาบ้านเราวางแนวลงดูสิหายใจเข้าไปลมไปประดันท้องหมดท้องนูนออกมาเลยจะว่าอย่างไงเนี่ยมาแปลบทนี้อัศสาสะแปลว่าหายใจเข้าแล้วท้องมันนูนเมื่อนูนแล้วจะเป็นอย่างไงเรียกว่าง่าอท้องนูนจะเรียกว่าอย่างไงเรียกว่าพองหรือเรียกว่าโป่งหรือเรียกว่าสูงอ้าวแล้วแต่จะเรียกภาษา พอหายไปพอท้องโนนนนออกมาโยมจะว่าท้องนูนก็ถูกโยมจะว่าท้องสูงก็ถูกโยมจะว่าโป่งก็ถูกเห็นไหมโยวจะว่าพองก็ถูกเพราะมันหนีไม่พ้นหรอกไอ้บัญญัติแบบไอ้ท้องโนนออกมาอักสาสะลมไปกระทบหนังท้องท้องมันโนนออกมาแล้วจะว่าอย่างไรภาษาบ้านเอ า, เอาลองนึกกลองดูสิทาไมว่าพองจะว่าอย่างไงเอาถอยมว่าโปง่งถูกไหมเอาถูก ทะยมว่าสูงถูกไหมถูกเพราะมันสูงขึ้นนิดหนึ่งทะยมว่าโนนได้ไหมได้ถทะยมว่าพองได้ไหมได้ก็รเมื่อได้แต่มันจะเป็นยังไงทีนี้คล้องพองคำใหม่มาจากบาลีบทนี้จะมาจากบทไหนในพระไตรปิฎกนั้นแหละเล่มที่สิบเล่มที่สิบสองมีทั้งนั้นหน้าสามยห้าหน้าหนึ่งร้อยสาเมื่ออัอศา ส, ส, สาสะกัปสาสะในหลักสูตรประโยคเจ็ ก็มีอัศสาสะปัสสาสะธรรมเทศท่านว่าไว้ให้ผูกสติไว้ที่เสาคือพองในจุบมีอยู่แล้วอาจารย์นะอัศสาสะตัวนี้แหละแต่ว่าพองปัสสาสะจะเประยุกต์ในพรัยปรปโฎกมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นของพระพุทธเจ้าไหมพระไตรปิฎกเป็นของพุทธเจ้าไหมเมื่อเป็นมีไหมเออคําว่าพองน้อนอไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปโฎกเป็นภาษาบาลี แต่ว่าพระพุทธไทยไดแปลมาจากบาลีในพระไตรปิฎกนะแปลมาจากบาลีในพระไตรปิฎกอัสสาสะนั่นแหละแปลว่าพองปัสสาสะนั่นแปลว่ายบวะตะแปลว่าหน อ, อแปลมาจากาพระไตรปิฎกหนอขอยังในพระไตรปิฎกเล่มที่เซมหาปริญญานาสูตรหน้าร้อสิบเอ็ดวันทัดที่1516ตัวที่4ที่5เพราะว่ามัชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วพระไตรปิฎ ก, กเป็นของพระโพธเจ้าไหมเชื่อหรือเปล่า เราเชื่อเพระแต่เจดกเป็นของพระเจ้าก็แปลมาจากบทนั้นแหละแล้วพระพระเจ้าเทศดกันแรกในโลกธรรมาจากประวัตสูตรอัญญาสิวัตะโพค น, นัญโยค น, นัญยะไม่รู้เลยเนอค น, นัญยะไม่รู้เลยนาะพระองค์ก็เทศเองออกจากพระโอษฐ์กันแรกในโลกด้วยทำไมหนอจึงไม่ใช่ของพระเจ้าใช่ถ้าภาษาบาลีของพระเจ้าแต่ภาษาไทยไม่ใช่าภาษาไทยนํามาแปลจากตรงนั้นแต่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละ พอประมาแปลมาจากหนองเมื่อวัตตะแปลว่าหนองหนอภาษาไทยก็แปลมาจากของพระพุทธเจ้านั่นแหละฮองเห็นภาษาไทยแต่มาจากแปล ภ, ภดดาษาบาลีนั่ภาษาบาลีกัของพระพุทธเจ้ามันก็คินความถึงกันหมดนั่นแห ล, ละเออแล้วต้องดูอัตการะถาสิดูดีกาอัตกถาดีกาต่อไปอัสสาสะปัสสาสะฮองในยยกนี่หลยมั่นมีบาลีไว้ชัดเจนเกี่ยมแง่มีบาลีท่านกล่าวไว้ว่า อีกในหนึ่งพโยขวจรคือผู้ปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วที่บริเวณท้องนั้นอัศสาสะปัสสาสวาวโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยวายโยปทธประรูปนี้ปรากฏชัดเจนอยู่เสมอในขณะนั้นตั้งสติกำหนดพองหนอยุบหนอดังนั้นท่านอักคมหาบัณฑิตโสพนเถระแสะดงไว้ในวิสุทธิญาณกถา ว่าอัตวาปนานิสินนักสะโยคินโอุทธเ ร, รอัซซาสปัสซาสปัจยาปวัตตังว่าโยโพธปรูปังอุนนมณมนาโอนมาานาการีนนิรันตรังปากตังโหติตัมปีอุปนิปสัยยะอุณมะติโอมติอุ น, นะมะติโอมติติอาิ น, น, อ น, น, อนาสั้งลักษณะตับทังแปลเป็นใจความว่านักปฏิบัติธรรมเมื่อนั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้น อัศส า, าสะปัสสาสะวายโยธาตป็นเหตุเป็นปัจจัยอัศส า, าสะก็คือลมเข้าปัสสาส ะ, สะลมออกนะเนเหตุเป็นปัจจัยวาโยผลทปรูปไอ้ที่ลมมันกระทบท้องนี่เป็นรูปอันหนึง่งเพราะลมมันกระทบปรากฏแคทเกนอยู่เสมอในขณะนั้นตั้งสติกำหนดเจริญวิปัสนาภาวนาวพองน้องยุบเนี่ยเห็นไหมอุณมามะแปลว่าพองโอนามนะแปลว่ายุบ นะอ๋ภาวนาพองหนะนอะยุบอุนนมติพองโอนามติยุบอุนนมติพองโอนมติยุบนี่แหละภาวนาพองเนอะยุบเนอะดังนี้นี่ภานามาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในกรรมฐานภาวนาพองหนอะยุบเนาะนี่แหละหลักฐานมีปรากฏอยู่ทั้งในอตัตถาทั้งในดีกาทั้งในปัตไตปิดดอกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของมีอยู่ไม่ใช่ไม่มี ไม่ใช่มาว่าเอาเองนะโปรดจําอย่างนี้ด้วยอ น, นี้ต้องคอยใจให้โทกเพราะฉะนั้นฟองน้อยไม่นอยนีย่เป็นของใครไม่มีแนละ้วก็จรโลกช่พฟองนอยนอยู่หนอพระสัตรัยแต่แปลมาจากบารีในภระไตรปิฎกนั้นที่พระสงฆ์เทศทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้เอาภาษสัตยมาเทศก็แปลมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละไม่จะมาจากอื่นหรอกจนวันพระที่แล้วมีท่านเจ้าคุณโจ้าหนึ่งเทศ สังนก็เทศถึงเรื่องที่เพิ่งงานสี่อย่างอุทนาความขยันอัปมาทพะไม่ประมาทสัญญมะความาสมรวมธรรมะคงาเพิกทั้มาจากพระไตรปิฎกทางนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็มาแปลเป็นภาษาไทยจ้ะให้คนไทยฟังเข้าใจประเทศภาษ า, าบาลีโยงก็ไม่เข้าใจงั้นปัญหาที่มีว่าพองน้อยยุบน้อเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกทกแต่แปลมาจากพระไตรปิฎกบทไหนหน้าไหนบรรทัดไหนหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะ ที่มีผู้สงสัยอีกว่าพองหนอยุบหนอนี้เป็นของขม่าบ้างเป็นของขมินบ้างจริงหรือไม่เออไม่จริงหรอกโยมพองหนอยุบหนอเอ้าอัตมาเขียนใส่กระดานดำตัวพอตัวอตงออ่านว่าง่ายตหอตัวนอตัอ่านว่าง่ายเอาโยมน้องอ่านดูสิสะกดตัวดูสิตัวพอตั้งตัวพอเขียนตัวพอลงไปเขียนตัวอลงไปเขียนตัวงอลงไปอ่านว่าง่ายอ่านว่าพอง ภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยเอาเขียนตัวหอตัวนอตัวอออ่านว่าไงอ่านว่าหนอภาษาอะไรภาษาไทยไม่ใช่ภาษาพม่าไม่ใช่ภาษาเขมรอืมพม่าไม่ได้ว่าฟองหนอเขาว่าเขาว่าเผาแดเผาแดดปินแดเผาแดดปินแดภาษาเขมรเขาว่าอะไรล่ะเขยนว่าฟองหนอสรอกหนอฟองหนอสรอกหนอไม่ใช่เหรอภาษา แต่เขาก็คำุงกระโุขมุงกระโจ้ภาษาเยอรมันเขาเฮวินเซนเก้นเฮวินเซนเก้นภาษาฝรั่งเขาว่าไรซิงฟอนลิงไรซิงฟอนลิงภาษาจีนวังไลมิโรเอะนี่แหละพองหนอยุบหนอนี่เป็นของพม่าไม่ได้เป็นของคนไทยเป็นของขมินก็ไม่ได้ขมิ้นไม่ได้พูดอย่างนี้แต่แปลมาจากบาลีบทไหนนะก็ะอธิบายให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของพม่าไม่ใช่ของขมิ เปรมาจากพระไตรปิฎกเป็นของพระพุทธเจ้าเอาในพระไตปิฎกเล่มที่สิบเล่มที่สิบสองแล้วก็เล่มที่ยี่สิบหกมีเยอะไปเพราะฉะนั้นพวกเข้าใจเสยียใหม่กองน้อยพป็ น, น้องไม่ใช่ของพมา่าไม่ใช่ของขเขมรเป็นของไทยเปรยมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาภาษาบาลีถึงสี่สิบห้าเล่ม น, นั่นแหละอยู่ในเล่มที่สิบอยู่ในเล่มที่สิบสองเปิดดูได้เลย น่าปัญหานี้ก็คงจะหายสงสัยแต่คําว่าหนออันนี้เป็นภาษาไทยแล้วแปลมาจากบาลีววัตตาทีนี้มีผู้สงสัยต่อไปอีกเออสงสัยว่ามีผู้ออกทีวีว่ากรรมฐานนี้หลวงพ่อไปเรียนมาจากประเทศพม่าจริงหรือเฮ้ยมีผู้ออกทีวีว่ากรรมฐานนี้หลวงพ่อไปเรียนมาจากประเทศพม่าจริงหรือเอเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ว่าพัดใบปิดดอกนี่เป็นของพระพุทธเจ้าไหมถ้าสมมติไปเรียนมาจากพม่า ก, ก็เป็นของใครเป็นของพระพุทธเจ้าหรือเป็นของพมา่าลองถามตั้งปัญหาถามตัวเองสิปฏิบัติอยู่ประเทศไทยแล้วเจ็ดเดือนสิบเก้าวันนี่คือว่าไปเรียนจากพม่าไหมอยู่ในวิหารบรรดาธาตุเจ็ดเดือนสิบเก้าวันปฏิบัติกรรมฐ า, านอยู่ตรงนี้นี่ชื่อว่าไปเรียนมาจากพม่าเหรือก็ ป, ปฏิบัติอยู่เมืองไทยเนี่ยเอาละถูก แต่พมา่าพระชายาพระไตปิโตกเลืมเดียวกันก็ชื่อว่าเรียนมาจากพม่าด้วยแต่ประเทศอังกฤษใชายปิโตกลืมเดียวกันเรียนมาจากอังกฤษด้วยแต่เยอรมันใช้ายปิโตกล่มเดียวกันก็ชื่อว่าเรียนมาจากประเทศเยอรมันด้วยถูกต้องเขาเป็นพระไตปิโตกเลืมเดียวกันอปฏิบัติอยู่วัดพระธาตุนี่แหละ เ, เดือนสิบเก้าวันแล้วก็ไปอยู่พม่าอีกพรรษาหนึ่งเพื่อไปดูการพระศาสนาไปดูเวลาท่านท่องพระไตรปิฎกกันทนําไร ไปเข้ากรรมฐานที่เมืองพม่ า, มา ก, ก็เข้าอีกเขากรรมฐานก็ปฏิบัติเหมือนกันอย่างนี้ในประเทศพาม่าก็จากพระไตรปิฎกเหมือนกันลองถามท่านอาจารย์อาจารย์มาจากไหนก็จากพระไตรปิฎกนั่นเองเดินโย ก, กรมหกรหยามาจากไหนก็จากวิสุทธิมรรคเป็นหลักสูตรประโยคแปดประโยคเก้าของประเทศไทยสุขวันนี้แหละเพราะงั้นจะว่ามาจากประเทศไหนก็ว่าเถอะถูกั้งนั้นมาจากประเทศพม่าก็ถูกจากประเทศไทยก็ถูกเพราะว่าพระไตรปิฎกเรื่มเดียวกันเหมือนกัน สังขยาก็ไปช่วยสังขยาประเทศพาม่า ก, ก็ไปทั้งสองเดือนพระสงฆ์ไทยก็ไปเป็นเยอะอืมไปทําสังขยาประเทศพาม่า ก, กับคำระพระกระิโครุวมกันกันเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะว่าเอามาจากพาม่า ก, ก็เอายินดีถูกต้องแต่ว่าเอามาจากเมืองไทยก็ถูกต้องเพราะมันเป็นภาษาบาลีเหมือนกันหมดลูกพอเดียวกันนะลูกพอเดียวกันยยเยอะไหมต่อเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะ เอาละท่านสาธุชนผู้ใจบุญหลายวันนี้อรตมาไขปัญหาได้ตอบปัญหาที่มีผู้สงสัยข้องใจมาถึงห้าข้อข้อที่หนึ่งสมัยนี้พระสีอุริเวตัยมีไหมไม่มีสองมีพระกับโยมว่าไม่ต้องพานารู้อยู่เฉยๆไม่เป็นกรรมฐานเป็นอะไรเป็นยานักติธรรมโมหะโลภทิฏฐิกิตวิจารข้อที่สา ม, มีผู้สงสัยว่าพองน้องๆไม่มีในประโรกถูกต้องไม่มี แต่เปลยมาจากพระตไตรปิฎกเล่นที่สิบเล่นที่12หน้าที่สามร้อยสิบ้าหนึ่งสมีผู้สงสัยว่าพอ้องน้องน้อนี่เป็นของพม่าบ้างเป็นของเขมรบ้างไม่จริงเป็นของขนไทยพอ้องน้องน้อยภาษาไทยแต่เปลยมาจากภาษาบาีของโบเดนเจ้ามีผู้ออกทีวีว่ากรรมฐานนี่หลวงพ่อไปเรียนมาจากประเทศไจริงเหรอจริงจริงเพราะอะไรเพราะว่าเข้าปฏิบัติดูนท่านเจ็เดือนสิเกวันแล้ว แล้วประยุพมาอีกนั่นก็ภาษาพิทกอันเดียวกันถ้ารับรองว่าภาษาพิทักภาษาพม่าภาษาไทยก็เป็นอันเดียวกันกันจะว่าไปเรียนจากพม่าก็ถูกจะว่าไปเรียนจากประเทศอังกฤษก็ถูกเจรมันก็ถูกเพกราะภาษาบาลีเหมือนกันอ้าวได้เท่านี้แหละจบแล้วหมดเวลาแล้วไขปัญหาได้ห้าข้อ ย, ยังอีกหลายข้ออยู่ขอยุติวัเศษเพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย บัดนี้รายการไขปัญหาในมุนเวียนเปลี่ยนบัรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งข้าวก่อนโน้นอัตมาไปต่างจังหวัดเนื่องจากไปตรวจการคำเสาขงในภาคที่ปกครองอยู่<อ>คือภ 9, าคเก้าไปหลายจังหวัดในมอดในจังประคูประพ น, นมเป็นผู้ทำหน้าที่แทไออกอากาศไขปัญหาอัตนีอัตมาได้ เดินทางกลับมาถึงโน่ก็จะได้ไขปัญหาต่อเจะเพื่อนเบโคก็มีธุระทําจิตอย่างอื่นไม่สามารถจะมาตุราสลามสิง่งกะเล็กรรมได้ก็จะขอว่าเดียวปัญหาต่อไปมีผู้ถามว่าธรรมฐานเป็นของพม่าหรือเป็นของพระพุตตเจ้าตอบว่ากรรมฐานเป็นของพระพุตตเจ้าไม่ใช่ของพม่า แต่ทัพพามาเอาไปปฏิบัติก็เป็นของพมา่าใครออกมาปฏิบัติเป็นของไทยใครปฏิบัติก็เป็นของคนนั้นเหมือนคมรู้ในพระไตรปดฎกอัตมารู้ก็เป็นของอัตมาโยมรู้ก็เป็นของโยมแต่จะถืออย่างนี้ก็ใช่กรรมฐานเป็นของพมา่าทัพพามาปฏิบัติแต่พระไทยปฏิบัติก็เป็นของพระไทยพอทุกคนทิ้งกรรมฐานมาได้เลยพระเนนในประศาสนา this เพราะฉะนั้นกรรมฐานเป็นของใครของพระพุทธเจ้า พรอพุทธเจ้าสอนกรรมฐานกันแรกในโลกก็คือวิปัสสนากรรมฐานทั้งสมถะกรรมฐานด้วยสองอันนั่นแหละสอนที่ป่าอิสิปตนะมรุษไทรวันแขวงเมืองพารณาณสีคือปฐมเทศนาเทศกันแรกในโลกนั่นแหละคือวิปัสสนากับสมถะกรรมฐานตรงไหนเป็นสมถะมรักษแปดจงรู้ซิปุทธเจ้าเทศทางสายกลางคือมรักษแปด สัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆเห็นชอบนี้เป็นปัญญาสัมมาวจาสัมมากมันโตสัมมาชิวอันนี้เป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิสมาธินี้แหละเป็นสมถะสมถานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกเทศทางสมถะและวิปัสสนาปัญหาจึงมีว่ากรรมฐานเป็นของพระมาหรือของพระพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าอ่านว่าคําว่าทีเอ็ม มีผู้นํา ม, มาสอนกันอยู่ในหมู่นักเรียนบ้างครูบ้างชาวบ้านบ้างข้าราชการบ้างเป็นสมมติาหรื ogens, ร Tyler, อเป็นวิปัสนาหมายความแค่ไหนดีหรือไม่ดีต่อพีเอมที่มีผู้นํา ม, มาสอนกันอยู่ในหมู่นักเรียนบ้างครูบ้างนั้นเป็นสมัถกรรมฐานเออดีไหมดีดียัยงไงถ้าใครทําแล้วมันเป็นบนเนี่ยมันเป็นบาปที่ไหนบนทุกคนก็ต้องการอะไรเป็นบาปดีดไหมดีควรทํำไหมควรทํา เอาเธอจะเป็นปลังเป็นใครมาสอนเอาเท่านั้นแหละถ้าต้องการนะรัางเนื้อชอบรังยาอ่าเขาไปสอนตามโรงเรียนต่างๆเก็บเงินครั้งแรกเด็กคนละ200อบาทผู้ใหญ่คนละสี่ร้อยเดี๋ยวนี้เก็บเด็ก400ร้อยผู้ใหญ่ห0 0้อยต่อมาขึ้นพันหนึ่งอาจะมาไปต่างจังหวัดไปคบกุญแทนเขาไปทำกรรมฐ า, านทีเอ็มมาเสียไปแ0 0อบาทดีทำเอถอะสมถะเขามาฐานอืมมีทานัน้นแหละเอาเป็นการสร้างบุญสร้างกอศ ฝรั่งมาสอนเอาของฝรั่งฝรั่งก็เอาของพุทธเจ้านั่นแหละทีเอ็มกัของพุทธเจ้าเป็นภาษาฝรั่งเข้ามาแล้วเราก็อาจจะตื่นไปที่จริงก็คือของพุทธเจ้าสมถะกรรมฐานมีมาก่อนแล้วอริยเหตุมาแล้วพระสงฆ์ก็สอนอยู่แล้วในเมืองไทยก็คือสมถะนั่นแหละจะว่าไงก็เป็นสมถะแต่ตั้งชื่อเป็นฝรั่งใช่มันก็โคเกะไปน้อยก็ดีโย อยากได้ก็มันเป็นนายเอาเถอะดีทั้งนั้นอยากตัวมือนักเรียนกับคนปฏิบัติครูกับคนปฏิบัติชาวบ้านกับคนปฏิบัติอะไรก็การบอก้าประโยชน์ปฏิบัติเถอะเมื่อพระไทยสอนโชว์พลังไม่ได้อา้าวพลังสอนดีเอาเลยนเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นใครสอนก็เอาเอถอะ้นอยู่ว่าของดีแล้วไม่ควรจะอยู่เฉยๆแต่ใช้ภาษาพลังหน่อยเราก็อาจจะตืนตัวขึ้นมาได้นั่นเป็นวิธีหนึ่งกุสโลบาย ช่กันเผยแผ่ศาสนาของพระเจ้ากวีทั้งนั้นโยมยอ่าแล้วก็มีโอกาสเตาต่อศาสนาเรืยเลยจะเอาสมถะเใจอจนได้ชานเหาะเหินบรรยากาศได้ก็ยิ่งริ้นไหเอาเถอะทําไปเถอะดีส่งเสริมกันไม่เป็นรายดีกว่าไม่ทําหลายเท่ามีผู้ถามมาวันนั่งภาวนาไปภาวนาไปได้เห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาอยากสวัดดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญามีจริงหรือไม่อ้างหลักฐานประกอบเลยโอ้ดวงศีล เรีว่าดวงศีลมันก็ว่าเอาสิเราตั้งขึ้นมาเองมันจะยากหน่อยดวงสมาธิเราก็ตั้งขึ้นมาเองดวงปัญญาก็ตั้งขึ้นมาเองตัมันจะยากอะไรมีแต่นั้นแหละเอาจะให้เป็นดวงศีลเอาสมมติเดินจงก็นั่งภาวนาพองน้อยยุน้อยพองนอยยุบนอนนั่นแหละดวงศีลก็อยู่ที่พองนั่นแหละดวงสมาธิเขาอยู่ที่พองดวงปัญญาก็อยู่ที่พองที่ยกบยังไงล่ะจะตั้งชื่อเป็นดวงก็ได้ทั้นนั้นแหละแต่ยังชื่อเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้ทั้นนั้น <premises. S 2> มันถูกแล้วอันนี้เขามาสมมติกันขึ้นนะไม่คิดรอกดวงศีลเอาละเอาอยู่ตรงไหนเาถักกำหนดพองน้องก็อยู่เหนือสะดือสองนี้น่แหละถ้าได้ยินน้องให้น้องก็อยู่ที่หูนั่นแหละถ้าเห็นน้องให้น้องอยู่ที่ตานั่นแหละถ้าได้ินได้กินนองนอก็อยู่ที่จมูกนั่นแหละถ้ารดน้องรดน้องก็อยู่ที่ิ้นนั่นแหละถูน้อถูน้องก็อยู่ที่กายนั่นแหละคิดน้องคิดน้องก็อยู่ที่หัวใจนั่นแหละนี่แหละคือดวงศีลนั่นน่ะดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญา เรามาสมมุติเรียกกันขึ้นดวงก็คือมันไปรวมกันเข้าเป็นวงกลมหมายความว่าพ้องน้องใจเรารอยู่ที่พ้องอันนั้นกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์นั่นแหละคือศีลก็มาตั้งชื่อว่าดวงศีลไม่ผิดอเอาเราตั้งเอาเองเน่ไม่จะยากอะไรแต่ว่าเป็นดวงศีลก็ได้เป็นว่าอะไรล่ะเป็นหัวข้อศีลก็ได้อต่ว่าเป็นตัวศีลก็ได้จะว่าอะไรก็ว่าเองเราตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่จะยากอะไรนะ ทีนี้ดวงสมาธิขณะที่ว่าพองนอ้อยใจมันไม่เผลอนั่นแหละคือสมาธิก็่เสีว่าเป็นดวงก็นเลยกันเพราจิตอยู่ตอนนั้นตอนนั้นดวงเท่านี้ดวงดวงศีลเมื่อจิตยึดอารมณ์ตรงนี้จิตจะนับเป็นดวงไลยเพราะฉะนั้นสมาธิานับเป็นดวงไม่ผิดเราสมมุติกันขึ้นทนี่ดวงปัญญาที่รู้ตั้งแต่พองนอเริ่มพองกลางพองสุดพองนี้ตัวสัมปะชันยศตัวปัญญาจะเรียกว่าดวงปัญญาก็ไม่ผิดไม่เสียหายอะไรเลย เอางนะั้นดวงศีลดงสมาธิดวงปณิว่าไปเถอะเปาเองไม่ยากไม่หนักไม่หนาอะไรถูกว่าได้ทั้งนั้นน ะ, ะมีขีงเปล่ามีขีงหลักฐานก็มีอะไรอ่ะหลักฐานก็คือพระไตรปดฎกนั่นแหละภาวนาพองน้อยุบนอยค่ยยังหน้อยใสยังนอยกับนั่นเลยหลักฐานไม่มีอะไรหรอกถูกต้องนะนะอ้าวทีนี้ปัญหาข้อต่อไปนั่งภาวนาไปได้เห็นพระพุทธเจ้าบ้างเห็นพระอราหันต์บ้าง เห็นพระาธาตุจิตเจ้งจุลมณีบ้างเห็นเทวดาบ้างเห็นจระเข้บ้างเห็นเสือบ้างเห็นงูบ้างเห็นคนตายมาขอส่วนบนบ้างมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งไปเมื่อวานนี่เองวันนี้เองมานั่งไปนั่งไปเห็นเป็นเป็นผู้หญิงอ่าไปเดยวมาบอกนขอให้ถวายภ้าไกให้เรื่อยเออมีผู้หญิงน่ยชีที่นั่งเลยต้องไปซื้อผ้าไกมาถวายเนี่ยอาจจะมารับเองอะ่ะถามว่ามันมถวายทําไม อบอกว่ามีเป็นรูปผู้หญิงมาบอกเมื่อ่อนจะมาเข้าอุทธรณ์ก็ปรากฏหนึ่งขณะเข้าของอุทธรณ์เจะกลับแล้วก่นบอกว่าขอให้ถวายภากไก่อุมมทิศสมบูรณ์ให้เขาด้วยเลยผู้หญิงคนไม่ชีคนนี้เลยซื้อผากไกมาห้าร้อยห้าสิบบาทหรยจะอะไม่รู้มาทําพิธีถวายอุทิศสมบูร์ให้ผู้หญิงที่มาปรากฏี่ระนั่งกรรมาฐานทีนี้ปัญหาก็ามีว่านั่งภาวนาไปได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในยานไหนอยู่ในยาน ลืมตาแล้วไม่เห็นนะเนี่ยแต่เวลานั่งไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนได้พูดได้คุยได้บางองค์นั่งไปไปเห็นพระอรหันต์ท่านมาฟังเทศบ้างมาให้ปรากฏบ้างบางองค์นั่งไปแ้วบางคนนั่งายก็ไปเห็นพระธาตุจิตแจ่มจิตมณนีบ้างบางคนนั่งไปเห็นเทวดาบ้างบางคนนั่งไปก็เห็นจระเข้อันนี้เป็นพระท่านนั่งไปเห็นจระเข้เห็นเทวดานี่เป็นคารวะอ่า เห็นเสือเออนี่คนนั่งไปเห็นเสือตกใจงยผู้หญิงคนนั่งไปเห็นงูร้องสุดเสียงเลยที่เห็นงูเห็นสองคนเอ่คนหนึ่งเคยฆ่างูมาสองตัวโผลเมียงงวปัญาเป็นสาวเวลามานั่งงูมันวุ้ยเขมันร้องสุดเสียงเลยลุกขึ้นวิ่งหนีเลยแล้วลืมตาเลยก็ไม่มีน่ล่ะเนี่ยอันนี้ท่านเียกว่ายานหลอกมันอยู่ในยานไหนปัญหามีอยู่ว่าผู้ที่ถามถามว่านั่งภาวนาไปได้เห็นผักพันธุ์จ้าบ้าง เห็นพระราหันบ้างเห็นพระธาตุจิตแจุ่ลมณีเจดีสถานบ้างเห็นเทวดาบ้างเห็นเจระเข้บ้างเห็นเสือบ้างเห็นงูบ้างเห็นคนตายขอส่วนบุญบ้างเป็นสมถทารูวิปัสนาเป็นสมัทหะ เ, <c oughs> เ, เรียกว่าอยู่เป็นวิปัสนาขอมีแต่วิปัสนานั้นที่เรียกว่าวิปัสนูปกิเลตอยู่ในยานที่สามเนี่ยเรียกว่าสัมมาสาาัญาณอยู่ในยานที่สามอย่างแก่เ ข, เข้าขีดยันซี่อ่อน อันนี้เป็นสมถะแต่เป็นวิปัสสนาก็อยู่ในเขตสมถะยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาแท้ผู้ติเจริญสมถะก็เห็นได้ผู้เจริญวิปัสสนาก็เห็นได้อันนี้มันอยู่ในยานที่สามนะอ่าอยู่ในยานที่สามเรียกว่าสมมัสนญ า, านยานที่หนึ่งนามารูปะแยกอกปปับนามหรืเป็นอยู่ในการที่หนึ่งสองปัจจยะรู้เหตุผลสามสมมัสนะพิจารณารูปนามเป็นในจงังโขขังตา ยานนี้เป็นจินตายานนี้เป็นเขตสมถะยานหนึ่งถึงยานที่สามเป็นเขตสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นตอบว่าอยู่ในยานไหนอยู่ในยานที่สามจะแก้อย่างไรจึงจะเป็นวิปัสนาไม่ยากแต่เห็นเป็นภพเด็เจ้ามาให้กําหนดดูเห็นน้อยเห็นน้อยจะหายไปแต่ถ้าลืมตาก็ไม่มีนะะ่าหลับโผเข้าใจให้ถูกนะลืมตาแล้วไม่มีภาพมิมิตท่างหลายที่เห็นเหล่านี้ในวิปัสนาท่าวิปัสโนปิเรศ เป็นอุปกเกเรสอย่างหนึ่งที่เขาไปกวนให้วิปัสนาเศร้าหมองตัววิปัสนาแท้ๆคือขันห้ารูปกับนามพองนอหยุหนอท้องผองทองยุกตัวนี้เป็นตัววิปัสนากำหนดตรงนี้แต่ในขณะนั้นมันแทรกเข้ามานั่นเขาเรียกกรรมาฐานรั่วผิดมันออกไปยึดเรื่องอื่นเสียไม่อยู่ในอารมณ์จึงชื่อว่าเป็นอุปกิเลสเพราะทําให้ตัววิปัสนา ซึ่งเรากำห น, นดรูปนามท้องทองทองยุบเป็นรูปปนามนี้เป็นวิปัสนาเทศให้ใจจะดูความเกิดความดับของรูปในนามตรงนี้แต่อโลอื่นมาแทรกเสร็จมาแทรกในยามที่3นั่นแหละเรียกว่าวิปัสนูปจิเลตมันมีถึงสิบอยา่างมีโอภาษบ้างมีแสงสว่างบ้างมีปีติบ้างฮะแล้วก็มีศรัทธาบ้างแล้วก็มียานบ้างมีสติบ้างมีนิมิตต่างๆบ้างไอเขาเกิดขึ้นมาในยานนี้ไม่ใช่ตัววิปัสนา ในบาลีถแถลงมักคามักคะยานพัฒนาวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิคือรู้ว่าอันนี้มันเป็นทางผิดไม่ใช่ทางถูกน ะ, ะ, ะวิธีแก้ที่เนี่ยมันผิดแล้วจะแก้ให้ถูกจะแก้อะไรต้องกำหนดรู้ไม่ยากแต่เห็นเป็นปกตเจามาถ้าอยากจะรู้แนวจริงหรือไม่จริงลืมตาขึ้นก็จะไม่มีอะไรเลยนั่นคือหลอกเั่นเรียกว่ายานหลอก วารีเทระกินตาเมยะปัญญาปัญญาอันนี้มันเกิดจากการคิดเป็นปัญญาเลยสําเร็จมาจากจิตคิดแต่นักปฏิบัติร้อยทางร้อยจะเข้าใจว่าตัวไม่ได้คิดมาเองมาเองใช่เพราะสติอ่อนจิตนี่มันมีกําลังกล้ามันเกิดมานานคิดแล้วเรารู้ไม่ทันสติไม่ทันก็เลยนึกว่าตัวไม่ได้คิดเกิดเองเกิดเองทั้งนั้นที่แท้คิดเรียกว่ากินตาเมยะสาเร็จจากจิตคิดทั้งนั้น ถ้ไม่คิดลืมตาก็ยังอยู่แต่นี่ลืมตาแล้วไม่มีเลยเลยนี่เขาเรียกยานหลอกเพราะจิตมันสร้างมนุภาพเป็นมาเองแต่ว่าอย่างนี้ถ้าลืมตาแล้วก็ไม่มีนะอันนี้ท่านในหลักบาลีท่านียวิปัสณูปิเลสเป็นกิเลสที่เขาไปควรให้วิปัสนาสร้าอกแต่ น, นี้เป็นอารมณ์สมถะไม่ใช่วิปัสนาพอคนไม่ปฏิบัติก็จะไม่ทราบอันคนนี้ก็เป็นมหาถึงหประโยคแล้ว ไปทำมก็ไม่จะนึกประตัวถึงมรึงผลถึงมรึงี่ผ่านแล้วตามที่ฟังคําพูดไปดีอยู่ทำคนให้มีความสุขทําคนให้ใจเย็นได้ใ ไ, ได้แต่ก็ตัว เ, เข้าใจ ว, าว่าอันนี้อยู่ในยานที่สามเกิดสมถะกรรมฐานเทววิปัสนาก็อยู่ในสัมมสาสัญญาเมื่อถึงยานนี้จะต้องมีอุปกิเลสเกิดขึ้นมากพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นวิปัสณูปเกเลสแปลว่าสิ่งที่ไปควรให้วิปัสนาเราญาณเราเศ้าหมอง คือผู้ที่ไม่รู้กันึกว่าอันนี้มันเป็นหนทางแล้วถูกแล้วเป็นหนทางมรคนี่ผ่านแน้วเข้าใจอย่างนั้นแตนยิงกาวว่าเป็นวินปัสโนกิเลสิ่งที่เคยกวรให้วิปัสนาญาณของเราเศมองไม่ใช่เป็นตัวปัญญาไม่ใช่เป็นสิ่งที่สงูงอันนี้ในในพัตติบิดกทะเรวายาณทัศนะทําไมจึงเรียกวายา ณ, ณ ท, ทัศนะคือมันมีโครงรูุควำเห็นถ้าคนไม่เคยพบเคยเห็นเป็นของที่น่าเชื่อ เป็นของที่ตัวเองไม่เคยพบดังนั้นในจุรสาโปรปมสูตรพระพุทธองค์จึงทรงแสดงไว้หน้าฟังเล่าถึงว่าผู้ที่แสวงหาแก่งแท้ของพระศาสนานี้นางจำพวกความแสวงหาไปไปติดลาบติดหลักการะติดสลรเสริญซะคือมีคนเห็นเพลงคัดมัทธยัิ ด, ดีเขาก็เลื่อมใสนำราบสักการะสรเสริญไปบูชา ถ้าเลยเข้าใจว่าถึงแก่นแล้วพอแล้วหยุดอยู่เท่านั้นพวกนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าได้แค่จรและใบของพระศาสนาหรือของพรมจันยังไม่ถึงแก่นแท้พวกที่สองไม่พอใจแค่นั้นเร่งรักษาศีลให้ดีเรียกว่าศีลอรสิสิทธิศีลบริสุทธิ์ดีแล้วาสาสลรักษาศีลแข็งขัดและก็พอใจแล้วนึกว่าตัวถึงแก่นแล้วบางทีแถมยก ตนคงมคนอื่นซะอีกว่าคนอื่นสู้ฉันไม่ได้พวกนี้พระพุทธเจ้าว่าได้แค่สกิจนของพรหมจรร์เท่านั้นหรือของพระศาสนายี่พวกหนึ่งไม่ติดลาภ ไ, ไม่ติดสักกะระไม่ติดสรรเสริญถึงเกิดถึงมีขึ้นก็ตามมีตามได้ไม่ปฏิเสธและไม่ทะเยอทยานยังไม่พอยังรักษาศีลได้เคร่งคัดอีกด้วยแล้วก็ยังไม่พอยังเล่นสมาธิฝึกสมาธิจเจริญ ก็มาทานบทได้บทหนึ่งในสี่สิบอย่างนั้นจนกระทั่งได้สมาธิดีอยู่ตามป่าเถือกดเถื่ออะไรก็มีอยู่ตามบ้านตามเมืองก็มีแต่เล่นสมาธิคือสมมตาแล้วก็ น, นึกว่าดีแล้วพอใจแล้วบางทียกตนข่มคนอื่นว่าคนนั้นอยู่แต่บ้านในช่องไม่ออกป่าปฏิบัติสู้ฉันไม่ได้ใจก็คิดอย่างนี้หรือพูดออกไปด้วยคนนี้ก็ได้ถ้าอุปมาคนเขาไปหาแก่นก็ได้แค่เปลือก ของต้นไม้ยังไม่ถึงแก่นแต่เขาใจไปถึงแก่นใชแล้วอีกจังพวกหนึ่งไม่ติดลาบสักกะสันลสนและไม่อยู่พอใจอยู่แค่รักษาศีลบริสุทธิ์ไม่พอใจอยู่แค่เล่นสมาธิคือเจริญสมถะท่าทนั้นเจริญวิปัสนาต่อจนกระทั่งยานที่หนึ่งแยกรูปแยกนามได้อย่างที่สองรูเ้เด็ดเลยผลยานที่สามถึงยานที่สามสมมาสัญญาณถึงตรงนี้เลยชักยุ่งแล้วทีเนี่ย พอฝึกไปฝึกไปไปเห็นอะไรอะไรต่างๆเห็นผักเจดีเห็นพระพุทธโลกเห็นพระพุทธเจ้าเห็นป่าเห็นแม่น้าเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเห็นธาตุเกจดเจ้าจุลมนีสารพัดที่จะเห็นเห็นเทพบุตรเทวดาเห็นนรกสวรรค์จิดมันชิดขึ้นมาก่อคล้ายๆเห็นจริงแต่พราตัวไม่เคยเห็นนั่นเนี่ยก็เลยติดอยู่แคนีพอใจแคนี้นักก็ถึงแล้วนักบวชดีแล้วพอเราหยุดแค่นี้ไม่ก้าวหน้าต่อไปพระพุทธเจ้าบอกพวกนี้ได้แค่ กัะพีเนี่ยดูสิยังไม่ถึงก่นได้ใช้กับพี้ของโภมจันทร์โตรดเปิดตูตได้ในพระไตรปิฎกเรื่อที่สิบสองเกเรส า, าโรปมสูตรมหาสารโรปมาสูตรสองสูตรติด ก, กันนี่เรียกว่ายาณทัศสนะเพราะฉะนั้นที่เล่าคุยกันกับผู้ที่ไปปฏิบัติตรงหนึ่งไปพบกันต่างจังหวัดเล่ากับตัวไปปฏิบัติแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้ว แค่นี้แหละ ย, ยานิยามสามเรียกว่ายานัศสนะแต่าสายานสามเรียกว่าสัมมสัญญาญยานนี้เป็นเครื่องพิจารณาอานิจจังทุกขังนาตาตพร่พุทธเจ้าเรียกวิวปัสสนุปกิเลสสิ่งที่ไปกวรให้วิปัสสนาเศร้าหมองตัววิปัสสนาจริงอยู่กับผู้กับนามแต่ขณะนั้นทิ้งแล้วไปยึดนิมิตนั่นเรียกว่าเนระมิตรขึ้นลืมตาแล้วไม่มีที่ถูกลืมและต้องยังอยู่นั่นจึงจะใช้ได้ ถล่มแล้วไม่มีก็ใช้ไม่ได้เนี่ไม่จริงหรอกมันมันหลอกเราได้อย่างท่านผู้นนหนึ่งนั่งไปไปเห็นเทวดาโอ้ยสวยแล้วใส่ไปโพมบุบาก็คิดอยากจะดูฉันของเทวดาเขาแล้วหายสิแล้วแหมเสียดายนั่งก็ไม่เห็นดิว่าอย่างนี้นะ่ะนี่เล่าใหต้ตมาปังอย่างนี้ก็อยู่ในขั้นเดียวกันเรียกว่ายาณทัทสนะอยู่ในยานที่สามเป็นเฉดสมถะไม่ใช่เฉดไม่ใช่วิปัสนา แต่วัจวนจะเข้ายุปัิสนาแต่ยังเข้าไม่ได้อันนี้เรวสัมมาสัญญาในระหว่างนี้แหละจะต้องมีอุปจิเลสถึงสิบข้อเกิดขึ้นในยาวางนี้อุปจิจิเรตที่ข้อนี้สําคัญมากทําให้คนที่ไม่เคยรู้เคยเห็นนึกว่าตัวถึงมรรคผลนิพพานแล้วแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นแหละพอใจอยู่แค่นั้นแหละนึกทึกทักตัวเองว่ถึงว่าถึงผลถึงนิพพานแล้วดังนั้นจึงถือว่าเป็นอุปจิเลสของนักปฏิบัติ นักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์จะต้องติดอยู่ตรงนี้เต็ดว่าตัวถึงติดว่าตัวได้แล้วก็ เ, เลยไม่เจริญก้าวหน้าต่อไปดังนั้นสิ่งสำคัญอยู่ผลปกิเลชที่เกิดขึ้นในระหว่างยานที่สามนี่มีถึงสิบข้อหนึ่งโอภาสตัวแสงสว่างสองปิติความเอื้ออินมใจสามปัสจุทธิความสงบใจสี่สุขความสบายห้าัทธาความเชื่อ หกปัคาหาความเพียรเจ็ดอุปทานะสติปรากฏชัดเกินไปแปดยานของรู้เก้าอวียาขากวางเฉยสิบน้กันตีกองไข่จะได้อาสาทีบายยอดยอดเพื่อให้เข้าใจถ้าใครจะโอเคแค่นี้หย่าติดอยู่แค่นี้อย่านึกว่าตัวถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยมันจะเสียเวลาหนึ่งโอภาษ ท, ทันแปลว่าแสงสว่างมีลักษณะซึ่งคนสังเกตเป็นข้อข้อข้อที่หนึ่งจะมีแสงสว่างเท่ายิางห้อยก็มี เทาเคยฉายก็มีเท่าตารถจนเท่าตารถไปก็มีสว่างจ้ามาก็มีคงตรงมาก็มีสองบางครั้งสว่างทั้งห้องสว่างจนมองเห็นตัวเองก็มีอันน่าแปลกไหมนั่งอยู่ไปๆสว่างมดทั้งห้องเลยวันนี้ก็นั่งเห็นตัวเองมองเห็นตัวเองชัดเจวอยู่ในแสงสว่างนั้นแหละเฮ้คนไม่เคยกันนะโอ้ยนี่เจ๋งแล้วอะไรๆไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยที่แท้เป็นยาณสามตอนนั้น เรียกวิวปัสโนกิเลสสามสว่างคล้ายกับห้องไม่มีฝากัน่นสสว่างคล้ายกับเห็นสถานที่ต่างๆมาปรากฏเฉพาะหน้าแเรวเคยอยู่มันสว่างเหมือนกับไม่มีฝาม่มีอะไรกัน้นทะลุโปร่งไปหมดเลยและบางทีก็คล้ายกับสถานที่ต่างๆมันมนาปรากฏเฉพาะหน้าของเราเหมือนกับเห็นจริงๆป่าก็เป็นป่าจริงๆน้าก็เป็นมน้ําจริงๆเรือก็เป็นเรือจริงเสือก็เป็นเสือเจอระเทศก็เป็นจอระเข้ มันปรากฏตงูก็เป็นรูปงูมาแต่ลืมตาแล้วไม่เห็นแต่ในขณะนั้นเหมือนกับเป็นของจริงถ้าสว่างจนเห็นประตูเปิดเอามือไปปิดบ่งลืมตาดูบ้างยกมือขึ้นดูบ้างแล้ในขณะที่สว่างมันเหมือนกับประตูโปิดโล่งออกมาเราก็เอามือปิดปิดไปปิดประตูไว้ที่แท้เปล่าไม่มีอะไรที่ลืมตาดูก็ไม่เห็นมีอะไรบางทีก็ยกมือขึ้นดูบ้างนี้ก็เป็นโอภาสทําให้คนหลงทาง หกสว่างจนเห็นดอกไม้สีต่างๆมาปรากฏอยู่ใกล้ๆคือเห็นสวนดอกไม้สีต่างๆโอ้สวยงามดูเพลินบางคนจะต้องเห็นอย่างนี้ก็มีโอยออกไม้เบญจพรรณมันสวยดอกกลาบดอก เ, เ, เ, เรียงเันแถวเลื่งตาแล้วไม่มีพอาเจ็บบางทีเห็นทะเลตั้งโยอะนั่งหลับตาอยู่เนียมันหึน่เป็นทะเลมีเต่ามีปลามาีอะไรแหวกไหวเันเทวาะไรเนี่ยอันนี้ตัวอย่างคือพระธีระสองลูก รูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นดอกไม้ถิลานพื่อจีดีแม่บอกขึ้นมาดูอีกรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นทะเลตั้งโยอหนึ่งแล้วก็บอกขึ้นมาดูนี่เวลาเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้นึกว่าจริงๆแต่คิดแท้ยานนี้มันยานหลอกก็ า, ารลยจินตายานแต่มีแสงสว่างพุ่งออกมาจากร่างกายและจากหัวใจของตัวเองคนนีเก้าสว่างจนนิรมิบเป็ น, นลูนลกช้างได้เชิญอาจารย์นิรมิบให้ลูกสิทธ์ดู แต่ตัวเองกับโวยจวิ่งนีลูกศิษย์ต้องจับชายจีวรไว้กว่านี้เพียงพระองค์หนึ่งท่านฝึกสมาธิแล้วลูกศิษย์ก็ฝึกแค่ลูกศิษย์ลูกสิษย์ทได้เป็นพระรหันก่อนลูกศิษย์ก็เห็นว่าอาจารย์ยังไม่สําเร็จเขมาเยี่ยงเลยถามอาจารย์ฝึกสมาธิหรือเปล่าผมฝึกเึกื่อวันเลยคนคุณอยากจะดูอะไรผมอยากจะดูช้างครับโลอาจารย์เขาเข้าสมาธิเป็นช้างมาเลยนึกถึงช้างเป็นช้างมาแล้วลูกศิษย์ก็ตามเข้าไป พยายามให้มันให้เขมาอาจารย์มันก็ช้างก็เดินลุกข้ามาอเดินลุกขมาก็มั น, นร้องครับพอช้างร้องแผดเสียงกลัววิ่งหนีลกูกศิษย์ก็จับชายโยนอาจารย์ครับอาจารย์ครับพระอรหันต์เขาไม่กลัวหรอกเอได้สติเลยก็เลยลกูกศิษย์ก็เลยสอนให้ทําวิปัสนาต่อจึงได้เป็นพระอาหารหันต์นี่ท่านเรียกว่าวิปัสนูปกิกษุสิ่งที่ไปควรให้ตัววิปัสนาเศร้าหมองโดยตัวเองเข้าใจาถึงมรรคผลในพานแล้ว อันนี้โปรเจคเรียกว่ายานัตทัศนะเห็นมีความรู้ความเห็นเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้กันแล้วตัวถึงมั่งถึงผลแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นอย่างนี้เรียกว่าได้กระพี้ของศาสนานังเราจริงเห็นได้ว่าจริงละใบแล้วก็สะจิตเปลือกกระพี้ยังไม่ถึงแกนผู้ที่ได้ลาบสักสกะระเทาสราสรเสริญเท่ากับได้จริงละใบผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์เท่ากับได้สะจิต ผู้ที่เล่นสมาธิเท่ากับได้เปลือกผู้ที่เล่นวิปัสนาแต่ถึงยานสามเท่ากับได้กระพี้เท่า เ, า เ, าเานี้เพราั้นผู้ที่เล่นเลยขึ้นไปน้อนอีกจน่าะทั่งถึงยานที่สิบหกนีน่ยจึงจะชื่อกว่าได้วิมุตติว่าหลพล้นบางคนก็ได้เกิโตโวยมุตติบางคนก็ได้ปัญญายมุตติถูกต้องเดียกันดังนั้นมีเรียกว่าวิปัสณูปจิเลถึงตรงนี้นะวิปัสณูปจิเลคือข้อที่สองปีติ ปิติแปลว่าความอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจความเอิบอิ่มมีอยู่ห้าประการหนึ่งคตทักาปิติปิติเล็กเ็กน้อยสองคณิกาปิติปิติชั่วขณะสามอกันิกาปิติปิติเป็นพักๆสี่โอเพลงคาปิติปิติยังโรดผลนห้าปรนาปิติปิติทราบทราบอันนี้ลักษณะของปิติมีมากโปรดฟังอธิบายต่อไปในข้อที่หนึ่งคตทักาปิติปิติเล็กน้อยมีลักษณะดังนี้คือ มีสีขาวต่างๆแล้วก็เยือกเย็นขนลุกมันตึงหนักๆถ้าตีตีอันนี้เกิดนะจะต้องมีลักษณะเป็นนี้แต่ดูสีมันมีสีขาวนะแล้วมีลักษณนะเยือกเย็นบางทีขนลุกบางทีมันตึงบางทีหนักหนักบางคนก็นําตาไหลบางคนก็นั่งหัวคองสอยองเก้าคล้ายๆกลัวผีบางคนก็ตัวชาพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นโสงขึ้นโสงขึ้น มันก pues ็ลกตึงลงไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่บางทีตัวใหญ่ออกใจออกทั้งขาทั้งแขนสูงแต่บางทีแขนยาวขายาวฟันยาวออกไปก็มีนั่งอยู่เฉยๆขายาวออกเจ้าออกออกบางคนนั่งแขนยาวอบางคนนั่งเฉยๆฟันยาวออกยาวออกโดนมือจับเข้าไปก็มีบางคนนั่งอยู่สูงสูงขึ้นสูงขึ้นจนจดราคานอก็มีบางคนสูงขึ้นสูงข้นจนถึงเข่าก็มีอันนี้เป็น ลักษณะของปิติเรียกว่าขุนกกาปิติทีนี้ขันนิกาปิติปิติชั่วขณะมีสีแดงแดงดงังๆถ้าจะดูสีเกิดในจกักรคุโฑวานดกจะสายฟ้าแหละแต่เป็นประกายเป็นนี้เป็นประกายดังตีเล็กไปกว่านี้บางทีแสบทั่วกายกายแข็งที่เป็นดังแมงแมงแรงเม่ามันจับมันไตาตามตัวบางทีร้อนตามตัวบางทีหัวใจสัน่นหัวใจไหว บางทีกคนลุกขนชันบ่อยๆแต่ไม่มากนะบางทีคันยืบคลายมดไตไรคานตามหน้าตามตัวบางทีเป็นดังปลาตอดเป็นดังเส้นเอ็นชักเป็นต้อนบางทีก็มีอาการคล้ายๆกับน้ำร้อนที่กำลังเดือดพังบางทีก็เหมือนปลาพุดขึ้นในกรายโยนเศษอาหารลงไปให้อันนี้ก็เป็นลักษณะของตีติอย่างหนึ่งเรียกว่าคันนิสการตีติดนี่ยังมีอีกโอคนิการตีติเนี่ย มีลักษณะดังนี้คือตัวไหวตัวเอน็นตัวโยกตัวครองนั่งอยี่เฉมันไหวมันเอ็นโยกโคงไม่ได้บางคนสะบัดร้อนสะบัดหนาวสะบัดมือสะบัดเท้าเนี่ยคือองค์ปกาบปิติบางทีก็มีอาการสั่นๆบางทีมีอาการสูงๆต่ำๆคลา้ายเตียงมันจะคว่ำบางทีก็มีอาการสั่นๆและบางทีก็มีอาการสูงๆต่ำๆคลา้ายเตียงจะคว่ำดึงไส้ดูจะอาเจียน และบางทีอาเจียนออกมากจริงก็มีบางทีก็เป็นดุดจจะละลอกซัดบางทีสัระรัว ด, ดุจจะไม้ตอกน้ําไหลบางทีก็มีสีเหลืองอ่อนสีดอกคักตกนด้ก็มีการโยกไปโยกมามีอาการสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาวนี่เป็นลักษณะของโอแกนิกาปีติทางนถ้าเราไม่สังเกตก็นับว่าเป็นของไม่ดีที่แท้เป็นของดีอยู่บางครั้งก็มีอาการวกฝับมาจากข้างล่างมา บางครั้งของพกปอบมานจะข้างบนบางทีคล้ายเล่นเล่นโต้คลืนอยู่ในน้ําโตขึ้นอยู่ในน้ําเล่นโต้คลืนอยู่ในน้ ำ, นนน ำ, นนนนำบางทีจะรู้สึกว่าร่างกายเราผิดปกติอันนี้ก็เป็นลักษณะของยานที่สามโอคอนิกาปีติทีนี้มาถึงปีติที่สี่เรียกว่าโอเพงคาปีติ t. มีลักษณะเปยียงไงกายสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยนี่อยู่ในยานที่ สามบางทีคันยุกยิต ด, ดูเจดรถไต่ไรตามหน้าตามตัวสามลงท้องท้องเดินเป็นบิดื่งคนอยู่ดีดีท้องเดินลงท้องได้จะต้อง อ, อกไปข้างหน้าบ้าไปข้างหลังบ้คล้ายคนผาหน้าขม้งลงกันอ้าวได้เท่านี้แหละจบแล้วหมดเวลาแล้วขอจุติว่าจเพียงเท่านี้ ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณวสีรัตน์ไตรอติสสยบุญยิเคตขอท่านผู้ใจบุญทลายจงโยเยเป็นสุกปราศจากทุกโศโกภัยเจริญหนวยอายุวันนะุขาภะละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิดมีดวงจิตสถิตมัน่นอยู่ในสัจธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขกันไคบู์กล่าวสื่อมาพ้นรกานด้วยกันทุกขันเทิน